เช้านี้ก็บรรยากาศชุ่มฉ่ำฝนตกทั้งคืนเลยวันนี้ก็ตั้งใจจะพูดเรื่องเกี่ยวกับคนแก่กับชีวิตขาลงเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้รับราชการเนี่ยจ ะ, กะเกษียณอายุกันในวันพรุ่งนี้หลายที่ก็เฉลิมฉลองหรือเลี้ยงส่งกันแล้วคนแก่คนแก่นี่ปัญหาชีวิตเยอะนะถ้าไม่มีธรรมะหรือไม่เข้าใจชีวิตเนี่ย จะมีความทุกข์มากเลยจากร่างกายที่เสื่อมโทมความจำก็เริ่มหลงลงืมความเจ็บป่วยก็เข้ามาอยู่เป็นประจำเพื่อคู่เราก็ได้สวดบนอภิษฎาปเจาเวกไปแล้วมนบทนี้เนี่ยอาจารย์ปโารบอกว่าเป็นคาถากันทุกข์ถ้าพิจาราบ่อยๆเนี่ย จะ้ำเราเห็นความจริงของชีวิตความทุกข์หรือความยึดถือยึดมั่นถือมั่นก็จะน้อยลงทาให้เกิดการยอมรับและปล่อยวางได้อย่างเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีกรรมเป็นของตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราต้องพัดพักจากของรักของชอบใจอันนี้เสิ่งที่เราต้องรับและเกิดขึ้นกับทุกคนปีนี้ โควิดก็เริ่มจะซาลงไม่แรงเหมือนปีที่แล้วแต่ก็มีดาราคนที่มีชื่อเสียงหลายคนเสียชีวิตอย่างสมบัติเมธานีเป็นดาราที่ทุกคนน่าจะรู้จักดาราที่ดังมากอยู่ในยุคยุค70เป็นพระเอกแสงหนังต้องร้อยกว่าเรื่องเสือมากที่สุดในโลกก็ได้เสียชีวิตลง ในวันที่สิสิงหาอันนั้นวันนั้นตรงกับวันเกิดอัลมาพอดีเลยะอนนันมาครบรอบวันเกิดสมบัติก็เสียชีวิตแต่สมบัตินี่ตายดีนะเพราะว่านอนหลับไปแล้วตายไปเลยตายขณะที่มีอายุ85ปีสิบห้าทีนี้คนเราจะหาอายุ8ปเนี่ยยากมากที่อยู่ถึงนะมีดาราหลายคนที่เสียชีวิตอย่างสารพงษ์เนี่ยก็เสียชีวิตในตอนอายุ73ปีสารพงษ์นี่ก็ถือว่าเป็นเพชชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ช่วยุคปีแปดมีผลงานมากมายเรื่อเมื่อเมื่อสองวันก่อนก็มีนังเอกราชิีหนังบูเมื่อก่อนในยุคแปดศน่ยคือบอมหลวงสุริวันสุริยงเนี่ยตอนเป็นเด็กๆกันมาก็ดูบ่อยแต่เล่นไม่กี่เรื่องแต่ว่าก็มีชื่อเสียงเขาได้เสียชีวิตในวัยห้าิเก้าปีก็ถือว่ายังน้อยอยู่เลยดาราหลายคนอย่างเศรษฐาก็เสียชีวิตตอนอายุเจ็ดิบเจ สันยูนี่ก็เสียชีวิตตอน59ไวพศก็เสียชีวิตอายุ79สอนเป็นสทุพภัยนี่ก็เสียชีวิตอายุ73แล้วที่ดาก็แตงโมแตงโ ม, แตงโมนี่เสียชีวิตอายุ37เองเรื่องอายุเป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะตายเมื่ อ, อไหร่บาะคนตายก่อนที่จะเกษียณด้วยซ้ํากว่าจะอายุ60ปีไม่ใช่เรื่องง่ายสมัยโรคโควิดราคาชีวิต ให้คนทั้งโลกเต่ตายไปโอ้โหนับจำนวนไม่ถูกเลยตายแบบง่ายๆด้วยแล้วเราต้องแบปปะมาปในชีวิตพวกโยมที่โีที่ได้เข้ามามาวัดมาปฏิบัติธรรมเพื่อรู้จักตัวเองเพราะมีคนอีกบ้างมายที่ไม่รู้จักตัวเอง mm hmm. ก็ต้องหลงไปกับกระแสะโลกอามาก็จะนำนิทานเรื่องเกี่ยวคนแก่ทั้งเรื่องจริงทั้งนิทานเนี่ยเราให้โยมฟังไปแง่ทิ ที่สวนหลังบ้านแห่งหนึ่งมีชายชลานั่งอยู่กับลูกชายลูกชายชื่อว่าแจ๊ดมาเยี่ยมพ่อก็มานั่งที่สวนหลังบ้านนั่นแหละสายตาของพ่อก็มองไปที่พี่ทุ่งหญ้าก็ถามลูกว่านั่นอะไรลูกแจ๊ดก็ตอบว่าอูวครับพ่อผ่านไปสักพักหนึ่งพ่อก็ถามอีก นั่นอะไรลูกวัวครับพ่อวัวตัวเดิมมันจะไม่ไปไหนเลยส่าพักหนึ่งพ่อก็ถามอีกนั่นอะไรลูกตอนนี้แจัดชักเลิ่มไม่พอใจพ่อแล้วเพาถามหลายรอบพ่อวัวพ่อเริ่มมีน้ำเสียงตะคอกวัวตัวเดิมแบบพ่อส่าพักหนึ่งชายชลาผู้เป็พ่อก็ถามอีกนั่นอะไรลูก แจ็คชักโมโหแล้วพี่พ่อถามไปครั้งที่สี่พ่อที่ชักเลอะทเะทอะใหญ่แล้วถามอะไรซ้ำไปซ้ำมาแจ็คไม่พอใจก็เดินหนีไปเลยปล่อยชัยยานานั่งเหงาอยู่คนเดียวคันถึงตอนเย็นเวลาทานอาหารแจ็คก็ไปตามพ่อมาทานอาหารร่วมกันไปเจอพ่อนั่งเมออยู่ที่ห้อง มองไาที่หน้าต่างข้างพ่อมีสมุดบันทึกอยู่เล่มหนึง่งแจ็ก็ถือวิสาสาไปอ่านสมุดบันทึกเล่มนั้นใจความมีข้อเขียนว่าเมื่อสามสิปีก่อนเนี่ยเราได้นั่งอยู่ตรงที่เรานั่งกับลูกชายตรงนั้นที่เก่าเวลาเดิม ขนาดนั้นแจัดพูดเก่งช่างพูดช่างคุยแจัดถามเราว่านั่นอะไรพ่อเราก็ตอบว่าวัวไงลูกแจัดก็ถามไปถามมาเป็นสิบรอบเราก็ตอบทุกรอบแบบไม่รู้อยากเบื่อนายแล้วมีความสุขถือว่าลูกชายให้ความใส่ใจแต่มาวันนี้ เราถามคําถามเดียวกันแค่สี่ครั้งแชทก็ตะคอกเราแสดงอารมณ์ไม่พอใจแชดอ่านข้อเขียนนั้นจบเลยน้ําตาซึมเลยสำนึกผิดแล้วไปขอขอโทษขอเข้ามาพ่อความสุขก็กลับคืนมาสู่ชัยชล า, าพูดกับพ่ออีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของ คนแก่ก็ต้องการความรักความใส่ใจจากลูกๆเหมือนกันเรื่องต่อมาที่บ้านคนจีนมีหญิงชราคนหนึ่งคนในบ้านก็เรียกว่าอา마อมาอมาเนี่ยก็มีลูกชายแล้วก็ลูกสะพ้ายแล้วก็หลานทุกครั้งที่รับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยอามาเนี่ยจะมือสั่นเพราะอายุเยอะแล้วเวลากินข้าวเนี่ย ก็จะทำชามพอชามสั่นเนี่ยข้าวก็จะหกมาที่โต๊ะแหละกระจุกกระจายหมดเลยทุกวันทุกวันลูกสะั้ยรู้สึกรังเกียจไม่พอใจแม่ผัวจึงฟ้องสามีบอกให้ย้ายอม่าไปไปนั่งนั่งทานอาหารคนเดียวดีกว่าพอมาบือสั่น บางครั้งก็ทำชามตกแตกบ้างบินบ้างอยู่เป็นประจำผู้เสามีก็รู้ที่ทำไงก็ยอมตามใจเมียโดยให้แม่เหลื อ, อมาเนี่ยยกวงไปนั่งอีกวงหนึ่งนั่งคนเดียวเรื่องนี้ก็ทำให้อาม่าเสียใจมากเลยเหมือนรู้สึกว่าตัวเองเน่ถูกถูกทอดทิ้งอันนี้ก็ทำให้เป็นที่สังเกตของ หลานชายตัวน้อยที่เห็นาม่เศร้าอยู่หลานก็เข้ามาบอกมาม่ว่าผมมีวิธีช่วยให้ามา่กลับไปนั่งทานอาหารเหมือนเดิมขอแามา่ทำตามแล้วก็บอกว่าถึงเวลาเนี่ยแามา่ทิ้งชามข้าวลงกับพื้นเลยแล้วเดี๋ยวจะจัดการให้ อา ม, ม่าก็บอกเชื่อถือหลานเท่าไ ห, หร่เราเพราะหลานยังเด็กไนงะแต่ก็ลองทําตามดูคัดถึงเวลาอาหารอา ม, ม่าก็ปล่อยชามหล่นดังโ p r o c e s s e v e แตกข้าวเครื่องกระจายหมดอล้ลูกสะภ้าโมโ oh หมากทําพระจะด่าละจะด่ามาแต่ช้ากว่ลูกชายลูกชายด่าก่อนอมมาม่าทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยชามแตกหมดเลย ผมตั้งใจจะเก็บชามไว้ให้แม่ผมเนี่ยใช้ตอนแก่ทำางนี้เสียหายหมดผู้เป็นแม่หรือลูวภัายาเนี่ยได้ยินดังนั้นเนี่ยก็ได้ได้สติสำนึกผิดเลยเพราะว่าโอ้โหที่ลูกชายเราคิดอย่างนี้จะเอาชามเก่าบินๆเลือกแตกเนี่ยมาให้เรากินตอนแก่บ้างจึงสำนึกผิด แล้วก็ไปขอเขามามาเชิญร่วมโตรับอาหารทานอาหารเหมือนเดิมความสุขก็กลับมาสู่อา마่ครั้งหนึ่งอันนี้คนแก่ทั่วไปอ่ะจะน้อยหร้อยใจเก่งแล้วก็เหงาอย่างชายชราคนแรกที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็ความจำเสื่อมอย่างอามาอ่ น, นี่ก็แก่มากร่างกายก็จะสั่น อนุมาเคยสัมผัสกับคนที่มือสั่นกับตัวเองอะอย่างสมัยที่อนุมาบวชอยู่ที่วัชชบทานนะช่วงนั้นเูลือปีสี่หนึ่งขณะที่เข้าโบสถยหลวงพ่อปัญญาไม่รู้ท่านนึกยังไงเดินมามาแต่งจีวรให้อัุมาแล้วก็พาแล้วก็สักาติมาจับให้อะไรให้แต่มือหลวงพ่อสั่นมากเลยนะสันส่นสัน่นตัวก็สัน่นมือก็สัน่น ช่วงนั้นหลวงพ่อก็อยุเยอะแล้วคนแก่ส่วนมากจะควบคุมร่างกายไม่ค่อยได้บางครั้งก็หนาวมากเพราะผิวบางหรือถ้าไฟอ่อนถ้าแก่มากก็ตัวสั่นก็มีสั่นเองอันนี้เหนือการควบคุมเรื่องต่อมาชายคนหนึ่งมาหาหลวงพ่อมาปรึกษา ว่าไม่รู้จะทำไงดีคือลุงเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่เอาไว้แล้วมาให้ตัวเองตรวจแล้วก็ตรวจพบว่ า, าลอตเตอรี่จะถูกวันที่หนึ่งด้เงินหกล้านแต่ลุงเนี่ยเป็นโรคหัวใจไอหลานเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะท้าไปบอกลุงตรงๆเนี่ยเดี๋ยวลุงดีใจเกินเหตุอาจจะทายหัวใจไว้ตายได้ จิมมาปรึกษาหลวงพ่อดีกว่าให้หลวงพ่อเนีไปพูดให้ลงุงไม่หัวใจวายหลวงพ่อก็รับปากบอกจะจัดการให้ให้พาลุงมาเลยพรุ่งนี้ทันลุงมาเจอหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็ถามเลยโยมอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อ๋อผมอายุเจ็ดสิบแปดแล้วครับโอ้โหเจ็ดสิบแปดนี่ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก คนแก่ก็ต้องเข้าใจเรื่องทุกขงังนิจังอนัตตาต้องเข้าใจโลกธรรมมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีเสื่อมมียินทาจึงจะทำให้ชีวิตปล่อยวางและมีความสุขได้ลุงก็บอกผมก็ฝึกอยู่ครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ออบอกว่าโยมตั้งกติดีๆนะเมื่อวานเนี่ย หลานชายมาบอกว่าโยมเนี่ยถู ก, ถกลดแต่เรียกว่าที้หนึ่งได้เงินหกล้านได้โยมไปทำไงกับเงินเหล่านี้ช้ยาลาได้ยินก็ไม่ได้ดีใจนะสีได้เฉยๆแล้วก็เอ่ยกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อตอนนี้ผมแก่มากแล้วอีกมีชีวิตยอยู่ได้ไม่นานถ้าได้เงินหกล้านเนี่ย ในบ้าปลายชีวิตเนี่ยผมก็ตั้งใจจะทำบุญถ้าสองล้านให้กหลวงพ่อก็แล้วกันให้หลวงพ่อไปสร้างโบสถ์ลุงยังพูดไปทานจบเลยหลวงพ่อก็นอนกับพื้นไปแล้วสลบเพราะหลวงพ่อเองก็เป็นโรคหัวใจเหมืกันแต่หลวงพ่อเนี่ยที่จะสอนโยมไงให้ปล่อยวางให้ใ ห, ให้ไม่ตื่นเต้นแต่หลวงพ่อก็ลืมบ๊ะตัวเองโรคหัวใจในชีวิตไม่เคยจับเงินล้านเลยพอได้สองล้านสร้างโบสถ์เนี่ยก็เลยช็อก สลบไปเลยอันนี้ก็มีตาหอนบางครั้งคนแก่ด้าพี่เข้าใจะทำมาเนี่ยมักจะไม่ชอบสอนคนอื่นไม่สอนตัวเองเพราะทํำมาจริงๆล้วต้องสอนตัวเองก่อนคนอื่นเราสอนบางทีไม่เกิดประโยชน์ไเลยเสียเวลาด้วยนอกแต่ละคนก็มีอัตรามีความดื้อรั้นในตัวเองประพดา่าเราอีกการสอนตัวเองจึงเป็นเรื่องสำคัญยกตัวอย่างเรื่องหลวงพ่อเขียนให้โยมฟัง เมื่อก่อนที่เรามาบวชเน่ยหลวงพ่อก็อายุประมาณ66แล้วก็ถือว่าเริ่มแก่แต่ยังแก่ไม่มากอัตมาก็อายุ30กว่าตอนนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อไปฝังเข็มที่แถวสาทรกับหมอฝังเข็มชื่อดังของประเทศจีนชื่อว่าหมอหลิวหลิวกะตงไ้่จำไม่ค่อยได้อะไรแล้วทีนี้พอเพิญคนขับรถของหลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้หญิงโยกถ า, างเนี่ย ชืว่าโยหมูหลวงพ่อก็ตามอาตมาเนี่ยให้นั่งเป็นเพื่อนด้วยอนันตมาก็ตามก็นั่งนั่งเป็นเพื่อนกับหลวงพ่อแหละไปถึงที่นั่นที่นันมีใครรู้จักหลวงพ่อไมเขียนเลยหลวงพ่อก็เป็นเป็นหลวงตาธรรมดาคนหนึ่งก็ไม่มีใครสนใจหลวงพ่อก็นั่งรอตามปกติไม่มีไม่มีคิวพิเศษอะไรทั้งสิ้นเพราโยมหมูก็ไม่มีเส้นก็ต้องรออนตมาก็ร้องนนานกว่าจะถึงคิว พอถึงคิวฝังเข็มเสร็จหลวงพ่อก็ต้องต้องพักตามโปรแกรมของที่นั่นอีกต้องนานอันตราสังเกตหลวงพ่อเดี๋ยตัวตนหลวงพ่อแทบจะไม่มีเลยนะหลวงพ่อใช้ชีวิตกลมคืนกับคนแถวนั้นไม่สนใจใครเหมือนหลวงตาแก่ๆคนนึงหลับง่ายกินง่ายนอนง่ายหมดเลยไปเคยไปกับหลวงพ่อนะสัมผัสได้แล้วหลวงพ่อก็ทําอะไรไม่มีการวางแผนมีอยู่ครั้งหนึ่ง มาไปลาท่านเพื่อจะไปงานศพของผ้าท่านหนึ่งที่รู้จักกันเนี่ยที่โดนฆ่าตายที่อํอาเภอฝามเชียงใหม่เป็นผ้าที่รู้จักกันตายนี่ก็ถือว่าข่าวดังผ้าหัวข่าวนางหนังสือพิมพ์นะก็ว่าตั้งใจจะไปรูปงานศพเล่าหลวงพ่อฟังหลวงพ่อขี้สุพักนึงหลวงพ่อก็บอกว่า จะหลวงพ่อไปด้วยนะอัญมาก็โชคดีไปเพราะว่าเราไม่ได้ไปนั่งรถเวล์หลายต่ออะ่างนถึงก็ไปกับหลวงพ่อแต่ตอนนั้นหลวงพ่อไม่มีคนขับรถไม่รู้จะทำไงดีท่านก็ให้อัญมาเนี่ยขับรถไปที่ท่าราไฟแล้วไปหาโชเฟอร์ไอ้นี่หาโชเฟอร์อาดับหน้านะคนขับก็ไปคนแก่ฝีมือขับรถก็ ยังขับดูแล้วยังไม่ค่อยเก่งอ่ะยังขับไม่ค่อยแข็งหลวงพ่อพก็ใช้บริการอะ่ะเชื่อมือให้ขับไปอันบางด้านไปด้วยประวัติเสียวอะ่ะเพราะว่าโยมคนขับเนี่ยอยากใช้เกียร์ไม่ค่อยเป็นเลยวิ่งจะลากเกียร์สามตลอดรถรถโฟล์ e วิวสปอร์ตไลอ่ะอ่านมาเอาบอกโยมเปลี่ยนเกียร์โค้งดินรอบมันวิ่งเร็วใช้เกียร์สามเนี่ยมันกินน้ำมันแล้วรถใช้กําลังเยอะไงให้วิ่งเกียร์สี่เกียร์ห้า ขนายลดลอยตัวแล้วก็ต้องคอยบอกลุ้นตลอดทางแต่ที่จริงเราขับเองง่ายกว่านะแต่ว่ามันไม่ได้เพราะว่าเราเป็นพรนะไงก็เลยนั่งไป ก, กับหลวงพ่อแบบหวัดเสียวจนถึงวัดชวนประทานที่พอศบอยู่นั่ น, น่งหลวงพ่อไปถึงเนี่ยก็สร้างความเสืรอภัยกับพระที่วัดชวนเพื่อนๆของผู้ตาย ว่ากูกันเข้ามาไม่นึกว่าหลวงพ่อจะมาไงคือเซอร์ไพรส์ไปหมดแล้วกพูดคุยกันหลวงพ่อจะไปกันเองหลวงพ่อก็คุยกับพวกพระรุกลูกก็หลายสนุกพักๆหนึ่งเห็นเห็นเวลาสมควรหลวงพ่อก็กลับแล้วโยมหมูก็มาขับรถพ่านหลวงพ่อกลับวัดอันบาก็ไปทําธุระต่อที่กรุงเทพอันนั้นไปที่อื่นกับหลวงพ่อหลายครั้งบางทีหลวงพ่อไม่มีโชเฟอร์เลยก็ตามอันดามาเนี่ยไปขับรถให้ไปแก้งพ่อบ้าง ไปงานศพหรือไปทําธุระบริเวณโซนบุ่มภูเขาเนี่ยบางทีหาหาทัวเฟื่อไม่ได้ไงหลวงพ่อเห็นใครใช้ช่วยได้ก็ตามเฉพาะกิจไม่มีการวางแผนอันนี้เป็นนิสัยส่วนตัวของหลวงพ่อหลวงพ่อเล่าให้าฟังนะ้วมีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยที่หลวงพ่อปวดหัวใจเนี่ยหลวงพ่อเป็นคนที่กลัวผีนะแต่หลวงพ่อเป็นคนอวดดีหลวงพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยไปอยู่กุติที่ไกลกระมู่อะ่ะอยู่ไกลอยู่ไกลลิฟเลย กุติหลวงพ่อนี้ก็ไม่มีอะไรละฝาก็ไม่มีคือคือเป็นกูติแบบโลมากอะ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนฆ่ากันตายผู้ร้ายหรือโจนเนี่ยโดนทำร้ายจนตายอะ่ะหลวงพ่อทราบข่าวก็ไปดูศพเห็นศพจู่ในโลงเนี่ยเน่าแล้วขึ้นอื่นสภาพดูไม่ได้เลยแต่หลวงพ่อสังเกต เห้นว่าลรงศพเนี่ยเป็นไม้ตะแบกอย่างดีหลวงพ่อก็เลยบอกกับชาวบ้านว่าหลวงพ่อขอนะลงศพลงเนี้ยจะไปใช้ทาประโยชน์เอาชาวบ้านก็ให้แล้วก็เทศพของโจรเนี่ยลงไปในหลุมหลวงพ่อก็เอาโลงนั่นแหละมาล้างเอาแปรงขัดตากแดดใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะเพราะว่าคงจะเป็นมาก เดือนหนึผ่านไปหลวงพ่อก็ามานอนเอามาปูดอนช่วงนั้นอากาศชื้นฝนตกแบบนี้แหละพอนึกถึงศพเนี่ยกลิ่นมันก็ออกมาเลยนะกลิ่นเหม็นมากพอกินเหม็นมากหลวงพ่อก็นอนก็คิดแต่เรื่องศพแล้วก็หลับไปกับความคิดพอหลวงพ่อหลับไปเนี่ยมันก็ฝันเนี่ยหรือเป็นนิมิตก็ได้อะหลวงพ่อก็ฝันว่าศพเนี่ย มกกิ้งมาหาหลวงพ่อมาทับในฝันหลวงพ่ออยนรู้ตัวนะท่านก็บริกรรมคาถาสู้เพราะหลวงพ่อเนี่ยเป็นเป็นหมอบ้านมาก่อนมีคาถาคมเลยเพอหลวงพ่อสวดคาถาสู้เนี่ยไอ้ศพมกกิ้งออกไปพอหลวงพ่ออยู่สวดศพมก็กิ้งมาอีกหลวงพ่อก็สวดคาถาไล่อีกชักเขยื่อไปชักเขยื่อมาอยู่เนี่ยต้องนานจนหลวงพ่อเหนื่อยสักพักหนึ่ง หลวงพ่อเกิดได้สติขึ้นมาว่าเอ๊ะเราเป็นพระกับบัณฑา ย, ยังไงกลัวผีหลวงพ่อก็เลยยกมือสร้างจังหวะทีนี้ความกลัวหายไปหมดสิ้นเลยตั้งแต่วันนั้นหลวงพ่อก็เลยไม่กลัวอีกเลยเมืเ่อเจนผี เ, เรื่องราวใดๆอันนี้ความกลัวมาสอนให้ออกจากความกลัวอันนี้หลวงพ่อเล่าให้เราฟังอันนั้นก็นำมาเล่าให้โยมฟังอีกทีหนึ่งว่าอารมณ์ทุกชีนิดเนี่ยมีทางออก ทุกนี่กับพายเราออกจากทุกแล้วปัญหาก็ทำให้เกิดปัญญามีหลายเรื่องคนแก่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยจะทุกข์มากอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยจะมีเรื่องน้อยเนื้อต่ำใจไหนจะปัญหาสุขภาพมีความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งบ้างคุยกับลูกหลานบางทีก็คุยไม่สนุกเพราะาเกิดคนละยุคไนงะคือต่อกาไม่ติด บางทีคนหนุหน่มสาวก็ไม่อยากคุยคนแก่คุยก็คุยสั้นๆแล้วก็จากไปเพราะคุยแล้วรู้สึกว่าตอบไม่ติดไงคุยไม่เคยรู้เรื่องแล้วคนแก่จะต้องมีทธรรมะอันที่เป็เรื่องสําคัญเลยจะต้องฝึกตัวเองอย่างคนแก่ที่เรามาเห็นเห็นแล้วรู้สึกว่าสบายใจก็คนแก่ที่พูหลมนี่แหละแถวชาวบ้านตัดอินทองเนี่ยเวลาวัน ศีลดโบสดเนี่ยชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยไปที่บูหลงแล้วพวกแม่ออกเนี่ยสวดมนต์กันเรตั้งใจมากเลยเวลาสวดบนต์นิเพาะเสียงดังฟังชัดรักษาศีงก็ถือแบบเต็มที่มื้วกันเราก็เห็นโอ้ชุมชนมาตะหลินทองเนี่ยเป็นชุมชนคนแก่ให้น่ารักพ่อจารย์เนี่ยท่านสร้างรากฐายไม่ดีไงทำให้คนสามัคคีกันไปวัดแบบมีความสุข ต่างกับที่บ้านใหม่บ้านใหม่นี่แทบจะไม่มีโยมมาถือศีลเลยช่วงสองปีนี้ชาวบ้านก็ไม่ค่อยมาวัดมีแต่คนต่างเมืองมาทำให้ไมเห็นคุณค่าของวัดเพราะวัดเนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจของคนแก่หรือชาวบ้านเวลาคนตายก็รอสายวัดทำบุญไถ่าบาศหรืองานอื่นๆก็ต้องสายพระกับวัด วัดจึงสําคัญเป็นที่พี่ของชาวบ้านญาติโยมที่มาฝึกสติจะถือว่าโชคดีนะถ้าฝึกสติจนถึงขั้นเห็นความคิดหรือสัมผัสความคิดได้เนี่ยอารมณ์ต่างๆเมื่อใจแบนลงความกลัวความโลภความโกรธความหลงหรือก็อารมณ์ต่างๆที่เป็นลบเนี่ยถ้าเรารู้ทันมันมันจะครอบงำจิตใจเราไม่ได้ เราก็ใช้ชีวิตอย่างผาสูกถึงแม้ร่างกายเราเยจะเสื่อมโทรมไปเสื่อมโทรมลงไปทุกวันทุกวันดี๋ยวคนแก่ในมีชีวิตที่ขาลงนะจะแก่เร็วมากเลยตอนตอนอายุอายุถึง65ไปเนี่ยลงแบบอย่างเร็วเลยอะความป่วยความเจ็บเจะตามมาความแก่เจ็บป่วยแล้วก็ความตายนี่ก็เป็นเพื่อนกันไม่มีใครหนีพ้น ถ้าเรามาสร้างความรู้สึกตัวเจตสติเนี่ยก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตถ้าได่มีชีวิตอยู่เราก็ไม่ทุกข์มากเพราะความคิดปรุงแต่งหรือความคิดมาครอบงามตายไปก็ถือว่าไปสุ่สติได้เพราะาสติเนี่ยมันจะลากความเบียงต่างมาสู่ชีวิตเราไม่ใช่เป็นบุญกุศลฝวามเบียงต่างถ้าเราไม่มีสติ มันก็ไปลากเอากรรมหรือบาปต่างๆที่เราเคยทําไว้มาเราก็ไปทุกขติได้การสร้างควรู้สึกตัวจึงสาําคัญเมื่อคู่เราก็ได้ส่วนบนประชิมพุทโทวาทเนี่ยเป็นบทส่งท้ายวันนี้พวกญาติโยมก็จะกลับบ้านกันแล้วพวกญาติโยมกลับบ้านก็อย่าหยิทํานะเพราะว่าการเจรติสร้างควรู้สึกตัวมันต้องทำต่อเนื่องถ้าเราหยุดความคิดก็เข้ามาครอบงำเราเราก็ไปท้าสความคิดเหมือนเดิม แต่ถ้าทําบ่อยๆจิตมันมีกําลังมันก็ออกจากความหลงได้กลับบ้านไปก็อย่าทิ้งทำจะต้องทําเรื่อยๆทํำจนเป็นนิสัยแล้วก็ทําในรูปแบบอย่างเดียวไม่พอก็ต้องทํานอกรูปแบบด้วยเมืม่อจะเป็นการล้างจานกินข้าวฝ า, ฝาดฝาดบ้านหรือทํำงานต่างๆที่ใช้กายเนี่ยเราก็สามารถเจรติได้ นั่งรถก็คือนิ้วมือไปก่อนนอนก็คือนิ้วมือเบาๆให้อยู่กับฐานกายเดี๋ยว ก, กลับมาจากความคิดปุ่มแต่งหรือความหลงได้รวดเร็วอโยก็อย่าทิ้งก็แล้วกันเพราะว่าหลงพ่อเทียนหลงพ่อเขียร์สอนไว้ดีแล้วถ้าเราลังเลสงสยัยเราก็จะไปเออเอาอาจารย์โู้นอาจารย์นี้สับสนชีวิตการปฏิบัติธรรมก็ไม่ก้าหน้าไปต่อไม่ได้ ท่านละทำสิ่งไหนแล้วได้ผลดีแล้วก็ทำไปเรื่อยๆด้วยความมั่นใจอันเราต้องเป็นคนแก่ที่มีคุณค่าคนแก่ที่มีความสุขไม่เป็นคนแก่ที่ทุกข์ที่หลงอยู่ในโลกความคิดอันมาพูดมาก็เห็นว่าสมควรแก้เวลาสุดท้ายนี้ก็ขอให้ญาติโยมมีความสุขมีความเจริญธรรมยิ่งขึ้นไปเอวัง